นค่อยไปใส่ตรงน้นอล้วค่อยไปใส่เตียหนึ่งตรงนี้แหละของไข้บ้างมันมีของฉันมีของฉันไหมมีของฉันต้องเป็นโอ้ เยอะนเกิแต่ว่ า, วาก็ได้หีือวาเอาวันเอาวันอาทิตย์แทนวันพระพ่าวันพระก็ไม่ว่าเพราะการเพราะงานหรืโอ ก, กาสเอาวันเสาร์วันอาทิตย์แทนวันพระก็ออยังได้ไปวัดไปทำบุญพระเอก็พ่านสวดแล้ว ทำบุญทำทานทำบุญอาหารใจเคยบอกอยู่บ่อยนะ <c oughs> ทำทานอาหารกายอาหารกายมีอยู่สี่อย่างข้าวหน้ามูชนะอาหารเครื่องนุ่งเครื่องหม่มผาจิวอน แล้วก็เสนาสนะก็ที่อยู่อาศัยนี่เป็นปุติเป็นสาราคิรณะปัจยะเพศสชัชเพศสัตวคือยาคิรณะเพศสชั <c oughs> ชยะรักษาโลกสำหรับบำรุงสังขารร่างกายแต่สังขารร่างกายก็ไม่เที่ยงบำรุงรักษาตกแต่งประดับประดา เรื่อเท่าไหรก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายให้รับประทานเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตา ย, ะาาาตายจะให้รู้จักกายกับใจในตัวของเรามีกายกับใจหลังจากธําวัตธรรไรสวสดเสร็จแล้วเราก็ได้ทําทําบุญนั่นแหละบุญดูใจแต่งใจรักษาใจให้ใจนิ่งถ้าใจนิ่งก็เป็นบุญใจของคนเรามันไม่นิ่ง มันเต็มไปด้วยความปุงแต่งภวิชาปัจญาสร้างฆาลานั่นใครพาปรุงแต่งตัวอวิชาไม่รู้เท่าพาปุงแต่งนะพาปรุงแต่งที่ทําให้จิตใจมัวเมาลุ่มหลงนี่ปรุงแต่งในทางโลกิยะถ้าปุงแต่งเรื่องโลกุตระคือเรื่องศีลธรรม นี่ปรุงแต่งสองอย่างหรือความนึกคิดคิดดีคิดชั่วนะถ้าคิดแล้วไปทำตามมันก็ไปใหญ่ละทีนี่นะถ้าคิดทางชั่วคิดอะไรละ่ะตัวใหญ่ๆก็บอกแล้วคิดลักคิดโลภถ้ามีรักก็มีโลภตัวอย่างอื่นก็ตามมาอีกมีโกรธมีหลง เข้าไปเยอะแยะที่ทำให้จิตใจมัวเมารุ่มลงเลยเรียกว่าอวิชาคือความไม่รู้เหตุผลที่ดีนี่พอเราขาดการดูบุญขาดการทำบุญนี่ชอบจะทานวันไหนใครก็ามาขนมาขนมาขนมา <c oughs> มันก็เป็นภ า, าละกิริยาที่นี่ภาร่ะจะเจ็บจากสิ่งของมาทํากระดาษมาทําชําละอย่างนี้ก็เป็นภาร่ะเอไปเจ็บเอาไปรักษาเอาไปอะไรต่ออะไรเยอะแย ะ, ยะไปนะอจึงได้เข้ามาสรุปที่ว่าคนเราชอบจุง้งนถ้าหากว่าไปวัดไปทําบุญเราก็จะไม่จุง้ง จะได้มีสมาธิจะได้มีปัญญ า, าการทําบุญส่วนมากนะอย่างที่เมืองไทยพระก็เยอะวัดก็เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่บอกทําบุญไม่บอกญาติโยมทําบุญไม่บอกญาติโยมให้เข้าใจคำว่าทําบุญคืออาหารใจคือแต่งใจคือดูใจคือรักษาใจ คือเราแน่นกันยทุกชาวทุกเกณทุกชาวทุกเกณฑนี่แหละเราอยากให้เข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญในธรรมมาจากกวัตนสูตรอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคบริวารของคนนี้ก็มีหนทางเดินเข้าไปสู่สมุทัยสู่ทุกแปดเซนหนทางแปดเ็น สมาธิสมาสังกปวาจักัมมันโตอากีโวบายาโมสมาสติสมาสมาธิก็ไปสรุปตัวสุดท้ายก็คือเข้าสมา ธ, มมาธิมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาหรือว่าดูถ้าดูแล้วก็เห็นถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ใช่ตาเนื้อดูใจนะไม่ใช่ตาเนื้อแต่งใจต้องใช้ปัญญา ทุกคนก็มีตาเนื้อแต่ไม่เห็ น, น, น เ, เพราะไม่ตั้งสติดีดูดูดใจมีตาทุกคนแต่ไม่เห็นหรอกต้องใช้ความระลึกลูกอะไรที่เราได้ยินอยู่เสมอไต้สำนึกจิตใต้สำนึกอ็รละลึกนึก ใต้ความนึกคิดนันอยู่เลือดเลือพระย่ำจุดนีบออกตอนด้าจมก็จะในไม่ได้หลงที่ไม่เน้นฟาดคำบุญคนก็เลยหลงกันโดยหลอกเลยลวงปิ้นป้อนอะไรกันเต็มไปหมดถึงกับพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติพระไตรปิฎกก็เรื่องบังคับจิตใจ หนังสือพระไตรปิฎกบังคับจิตใจให้อยู่ในกรอบกรอของศีลธรรมก่อของพระไตรปิฎกถ้าไม่มีกรอบที่อยู่ของใจมันก็ไปสุม 4, สีสุมห้าถ้ามีศีลธรรมได้ดูได้เห็นได้รู้แล้วมีให้ดิความกังกลละอายต่อบาปไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมีเรือนจำ อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขคิดของตนกายตนวาจาจนใจตนทรัพย์สมบัติของตนของเขาของเราผู้ของเขาของเราไม่ไปกล่าวไม่ไปร่วงแนะม้ถึงการนึกคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้นึกคิดผิดทํานึกคิดแล้วไปทําตามความนึกคิดผิดทํา คิดอยากได้ของเขาคิดอยากได้ก็เป็นผิดธรรมถ้าคิดอยากได้แล้วก็ไปเอาถ้าขอเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะน้มใจถ้าไปขโมยเอาที่มีเรื่องมีราวกันจุ่งทุกวันขโมยไม่ได้ก็ป้น <c oughs> ยีฆ้าตี เพราะตัวหลงเนี่ยไม่รู้เท่าทันไม่คิดถึงของเขาของเราไม่คิดถึงตัวเขาตัวเราถ้าเอาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเราไม่มีปัญหาเป็นครอบครัวนะใ่ครอบครัวนั้นถ้าหากมีศีลธรรมของพระเจ้ามีการทำบุญอยู่ทุกคนทุกคน ในการจ็บจ้างช่างใจก็รู้เหตุผลว่ า, าของเขาของเราการเอาของเขาของเราการขโมยกันนึกคิดการปล้นกันที่ ก, กันกล้ากันทีดมีผลยังไงนั่นแหละส ร, า ร, าาร้างความรือดร้อนเป็นยังไงสร้างความร่มเย็นเป็นยังไงถ้ารู้จุดนี้รู้จุดนี้เราก็ไม่กล้าล่วงเกินเอาของใคร <c oughs> นี่เพราะฉะนั้นเราขาดการดู าการสอนขาดการบอกขาดการย้ำถ้าย้ำบ่อยๆย้ำบ่อยๆทุกวัดทุกลกูกนี่อยู่วัดอยู่วัดประเทศไทยดูที่ย้ำบ่อยๆหรือพิธีกรรมหรือไม่แต่ทำไปนอกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เรียบง่ายแต่คนก็สอนให้ยุ่งพิธีกรรมเห็นไหมละ่ะ ข, ข่าวบันเข้าภรษา <c oughs> ถึงกับบางต่างประเทศก็ยังเอาเทียนมาแข่งประเทศไทยเ <c oughs> ทียนก็เาภาษามาแข่งประเทศไทยก็ยังมีนะ <c oughs> ไม่ใช่เอามาถวายเสสว ย, สวยสจะมาแข่งกันเลยทุกวัน <c oughs> หาพิธีแทงกันต้นเทียนไหนจะใหญ่จะโก้จะสวยจะงามแล้ก็ยังไม่พออีก เอาการประดับประดาเอาการคว้านลำทำประคมดิตีเตี๋ยวอะไรต่ออะไรเสริมเข้าไปอีกเยอะแย ะ, ยะเรียกไปกล่าวก็ว่าวัฒนธรรมชาวพุทธอ่ะทีนี้ซึง ท, ที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการยึดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าดิมันยากปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้านะั่นทั้งๆ ท, ที่พระเจ้าก็ให้ ทำผิดแปลกแหวกแนวจากข้อสินธรรมของพระพุทธเจ้าเรายัออยางไปท ำ, ทำ <c oughs> ในทางที่ชอบใ จ, นใ ห, ใจนหนึ่งได้ย่ำให้ข้อแก่กันหนึ่งถูกใจหนึ่งถูกใจสองถูกต้องคนเราส่วนมากทำแต่สิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกกลอบเห็นไหมล่ะตีความตีความควาลธรรพตะคมดีบสีตีเป่านั่นถูกใจ แต่ไม่ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไปทําบุญนั่นอยากให้เข้าใจเรื่องว่าไปทําบุญนั่นเ่ยไกรสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งรสมาธินั่นแหละเรียกว่าไปทําบุญนั่งรักษาใจหนึ่งนาทียังดีกว่าไม่ได้ทํำเลยนะเพราะเราจะได้ ไปเปรียบดูว่าเวลาเราทำสมาธิกับไม่ทำสมาธินะละเอียดนะคำสั่งสองของคุูเจา้ามาเทียบใส่กันดูมาวัดใส่กันดูว่าการไม่ทำสมาธิบ่อยตามอำนาจของใจของกิเลสยุ่งอ น, นคนเราชอบยุ่งคิดปรุงแต่งแล้วก็ทำตามอีกคือก็ยิ่งยุ่งไปใหญ่นะ ถ้าผู้มีสมาธิก็เห็นว่าคิดไม่ได้ประโยชน์ก็หยุดคิดติณี จ, จำบอกอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดเวลาเราไม่จุดจุดนี้แล้วผลจุดท้ายไปวัดไม่ได้ความรูปถ้าหากมันเน่นหนักกัน หัวหน้าไม่พ า, พาเน่นพาทําบุญย้ำไม่บอกย้ำบ่อยๆ บ, บอกบ่อยๆ ก, ก็ยังไม่ทํากันอยู่พาทําก็ยังทําไม่ได้อยู่มัแต่ว่ายังไงะ <c oughs> ไม่สนใจพาทาบุญวัดรู้เถอะเวลาเราฝึกได้รู้แล้วอยู่ที่บ้านอยู่ที่ท้องอะไรอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ทําได้ ันนี้ไม่มีการมีงานวันนี้ไม่ได้ทำการทำงานไม่ได้ไปทำบุญที่วัดก็ทำบุญที่บา้บานนั่งดูลมเข้าลมออกจึงให้มีสัจจะทุกคนเข้าพรรษาให้มีสัจจะไม่ได้ตลอดปีสามเดือนในพรรษาก็ได้ทำทุกวันนะเป็นเครื่องอยู่ของใจถ้าเรามีสัจจะนะนะถ้าไม่มีสัจจะก็ปล่อยไปตาม ชี้เกียรติพยันดักทำชีเกียรติไม่ทำนั่นถ้ามีสัจจะแล้วว่าจะทำนั่นแหละไม่ทําไม่ได้เสียสัจจะเสียสัจจะ <c oughs> คำของพระเจ้าเสียสัจนี่ไม่ยอมเสียสัจจะเสียชีวิตดีกว่าเสียสัจจะเห็นไหมล่ะพระเจ้าเอาจิงเจ้าจังไหม แล้วนี่ก็เปลี่ยนใหม่เสแล้วก็กอารมณ์อรวยใหม่ปรุงแต่งใหม่อีกนถ้าไม่เด็ดเดี่ยวเข้าไปมันก็เหมือนเดิมอีกนะเมื่อจะจะเปลี่ยนแปว่าอะไรละ่ะก็หกตนเองนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความลับไม่มีในโลกปิดคนอื่นปิดได้แต่ปิดใจตนเองปิดไม่ได้ไเน่นหนักภาคปฏิบัติเข้าไป ไม่ได้ซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้อถ้าได้ซื้อสงูไม่ยำ่ำไม่ยากที่ด้วยนะถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นจุดนี้แล้วนั่งกำหนดดูเฉย ๆ, ๆนะตั้งสติดูลมเข้าลมบอกลมเข้าลมบอกง่ <c oughs> ายนั้นให้พยายามเน้นนะ่ะภาคปฏิบัติให้มากๆมาฝึกขน ล, ลมแล้ว ถ้าเรากลับบ้านแล้วไม่ได้ทำอีกก <c oughs> ็ไม่ได้ประโยชน์อะไร <c oughs> นะครนะเรามีโอกาสดีมีพระเจ้าประสงค์พระแม่ครูบาอาจารย์วัดว่าที่ตามพวกเรามาไม่ใช่ของง่ายๆนะถ้าเทียบเรื่องกระตุปัจจัยก็ไม่ใช่ขอ ง, งน้อยๆอย่าง เรามีพิธีกรรมทำมานั่นศาธนานี่มนุพระเจ้าประสงค์ทำเรื่องทำเร า, าทำอะไรอะไรขอนุ่นข อ, น, ขอ น, นี่โอน้นถ้าเอาธรรมของพระเจ้ามาเทียบใส่ใจให้เราก็แปลว่าเรามีบุญนะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปด้วยนั่นะปุญญานิปรโลกัจมิงเรามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบุญไปสู่ปโลโลน้าปารโลกัจมิง ไปสู่เป็นโลกหน้าถ้าเรามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญเก่าป้าเก่าด้วยบุญถ้ามาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปอย่างที่เราเห็นกันอยู่อยู่ด้วยบาปอย่างพวกอยู่ในเดือนจําไม่มีโอกาสที่ได้มาอยู่เหมือนเรานั่นแหละให้เข้าใจจุดนี้ด้วยอำนาจของกุศลลงโทษจะโยมด้วยบาดาซีพี่น้องไม่เสียตลละมาทาทานก็ดีภาษาศีลก็ดี ทั้งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาหรือทําบุญก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่เราได้กระทำเหล่านี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ก็ยังมารวมกันยังปกป้องปกปักรักษาอบรมได้ชมลูกหลานญาติพี่น้องตลอดตั้งพระเจ้าพระสงฆ์คงมีแต่ความสุขคนเจริญสุขกายสุขใจหาจากทุกโศกโลกภัย การทงานทิ้งใดการงินทิ้งใดบาตรนาทิ้งหนึง่งอันใดก็จงตาเดชชมตำเดชโดยเฉพาะในหลักคําคคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าองตั้ง อ, อกนั้งใจปฏิบัติแล้วจงมีดวงจติตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมในภพชาตินีน<า>่เธอะเาแตไว้ความเถอะจะได้ให้พรอาหารที่ไม่เข้าทัวรลค เนี่ยกะดี่่ทกท่างากกเรกเยอีออก่องทากย่อยกทีเ่ย่กาาร อ่านอ่านถวายอะไกระดาษพวกปุ่ของชระดกระดาษกระดารดาษกระดาษถวายท่านกระดาดาษคือถวายทหารกองงานเห็น เคยมามีไหมล่ะผมไม่เคยมาครัขข้งแรกมาแล้ว่ะเมื่อวันสุกก็มาสบายเพราะว่าเป็นวันเกิดวันเกิดา<อ>มามาักผ้าตรงกลางช่วยด า, านกัน น, นี่นี่จะท้องครบชลยคับอืมอาไว้ก็ใส่อ่าตั้งแก ะ, ะระับพรไายแล้วลับพรเ อ, อ่อเป็นโล เทาวันวันดารา มีปัญหาอะไรไหมอืมค้ะถ้นนทาที่โดนขวัญที่สกอตแลนด์ถวายนะคะาไม่เห็นก็แปลว่ามีขอมลในวัด น, นะคะค่ะที่ขวัญถวายอืมอื ม, อมไม่รู้ค่ะขาวค่ะจกักถึวามงคัจกักว่าถึงคอามได้ใบยอยู่หรอ กลวรหลวงพ่อมันมันพเห็นื่อวานมันมันโคมัถ hmm. <th> <what> ังเลยหลวงพ่อมันว่ามันื้อของหนีสกเล็ดมวรร์หลวงพ่อเนี่ยหาไเห็นนี่มันพอเห็นกันแต่ถือว่าคนไปใส่แล้วก็ไปกินแอกจังะของใส่ท่านแต่ท่านป็นแบบแดมันมีแล้วค่ะปีที่แล้วโยมอยู่นี่นะคะโยมเอา กาแฟคนลวงรลน์ว่าพิยมขโมยกาแฟวัดกินนี่เห็นชัดๆน้องพอให้เดาออกค่ะวีนี่เลาของส uh ัง huh. ก uh ัดท่านนี่นะค่ะมั่วซั่วยิบไปเม็ดเอาไปเม็ดนี่คือมีถูกแข้งละก็บอกว่าเอาใช้ในถ่ายเหมือนความแต่วเอาไว้เห็นนังกัน ก็เมนกะลงคอกตงให้กะไวใส่ใส่ไปนใส่ไหมใส่เอามาใส่ดิเพื่อว่าเมาเก็บไปดิจะว่าเอามาจะเอามาขเก็บไปขนายังงหรอเามาใส่ให้มันหมดแล้วก็แล้วไม่ได้บอกว่าเอามาเก็บไปดิจึงได้ย่ำไม่ให้ฉันไม่ให้ทำอาหารภายในวัด ไม่ทาอาหารภายในวัดไห้ทาอยู่ที่บ้านเราก็ไม่บาทแล้วแปก็ให้ชิ้นแปดนะค่ะเพรป็จัๆแยบๆอยู่หลังจากเทียงกระได้ว่ามารักษาชิ้นแปดนุ่งขาวห่มขาวบางคนก็ไม่รู้บางคนก็โล้อยู่ก็ไม่สู้ขิเลรไม่ได้ส um, ู้อะไรกันอย่วัรักษาชิ้นแปดทหอ่าก็ยากเห็นเขารักก็ยากรักษา เอรักมันเป็นระเบีย บ, ยบยไม่ได้หรอ ก, กถ้าฝึกก็ได้ก็ไม่ต้องเลยพูดกันยากแล้วคนเรานี่พูดจะเจ้าจะแท้ก็ยังสอนไม่ได้เหมือนเดิมมันละพูดได้ยินกูเหมือนเดิม <c oughs> มันได้พูดกันถึงเรื่องนี้ถ้าหากว่ า, <c oughs> ม, ามาแจกไม้แจกคนก้นกับว่าพี่ตะนี้อ จะว่าไงยุ่งอะไรคนเราชอบยุ่งก็ยินไหมทิ่งไปยุ่งมันมีปัญหาหรอกเพราะฉะนั้นปัดจัดตังรู้จำเพราะตนดีชั่วอยู่ที่ตนเองไม่เตือนตนเองนั่นแหละตนเตือนตนไม่ได้แค่เ่าเตือนนั่นเยย่ำกันทุกวันก็พูดว่าให้ทําบุญเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องบุญกับบาปมันเป็นยังไงนี่ก็เพราะข่าวการทำสมาธิ ให้รู้เกีตนาว่าปฏิบัติทำมาทำบุญนะเขบอกแล้วจะเอาของมาเยอะแยะผ้าสะบงกีวอนพระก็เยอะแล้วนะเอาปัจจัยนี่จะให้คนถือก็ว่าคนเอาอีกก็บอกว่าเอาใส่ตู้จึงค่อยไม่เสียงกันอ่ะแต่ให้คนนั่นถือก็นี่ถือก็หาว่าคนนั่นโลบเอาอีกละ เพราะว่าชีเร <c oughs> มันบาดใจปัจจัยปัจจัยมันของบาดใจพระเจ้าจึงไม่ให้ยุ่งโด <c oughs> ยเฉพาะเรื่องพระสงฆ์ที่นยอมยุ่งก็แล้วแต่วัดครึ่งหนึ่งกับาการครึ่งหนึ่งแล้วแต่เขาแต่ว่าไปแล้วแต่เขาจะทําไป <c oughs> นั่น้ <c oughs> ีมีเจตนาดีแล้วไม่ดีก็อยู่ที่นั้นพระไม่ได้ติดใจยอยากเกิดไฉ่จะเอาไปถ้าผู้มีใจบอกว่าของพระเจ้าพระสงฆ์อุทิศเฉพาะพระสงฆ์แล้วไม่ไปต้องไปกล้าแหลม ถ้าคนมียอมซื่อสัตว์เชื่อมั่นบาปบุญอถ้าคนไม่เชื่อมั่นก็โอ้ยพระเบื่อเลยไม่อยากเอามาของใส่ตัวอก็ว่าไปอย่างนั้นไหม <c oughs> เดี๋ยวไปคิดอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าคิดไปก็ยุ่งเหมือนเดิมนะเดีย๋ยวเอามาข้างไว้เดา๋ยวมาทิ้งไว้มีปัญหาเอามาแล้วก็สปบาปไปหมดหมดเลยเนะข้าวก็เหมือนกันนะั่นแหละ ต่างคนต่างหลวงมากับฟ้แล้วฟาเป็นสบาท์มคนไทยบ้างมืนใช่หลายคนหลาย่อันเหียบฝนสอบนึงเด็หลวงพ่อต้องถ่ายบาทใช่ไหมถูกมีเสบ่าบ่นีมีอหลังี่งคนนเป็นแหคับแหก็ใส่่ายอพรุ่งนี้ก็จะบอกภรรยาท่านกับข้าวมาใส่ค่ะอเดี๋ยวถ้า ตาบาดเดี๋ยวก็หลวงปู่ก็จะไปอยู่เหมือนกันให้เพื่อนให้เพื่อนไปก่อนที่นี่เข้าในวัดหลวงปู่ไม่รับอีกนะถ้าออกไปข้างนอกเข้าภายในวัดเราไม่รับของในวัดได้ถูกต้องพระทุดงคือออกรับของนอกวัดนะอย่างประเทศไทยเข้าในวัดไม่รับนะรับ <c oughs> แ, แต่เฉพาะข้างนอกกันนะ <c oughs> แต่ที่ข้างนอกกืมากคนไม่รู้ก็ไป่ขอใส่ได้แต้มเดียวที่นี่ เอามาก็มาถึงก็มายุ่งพระเลยถ้าให้พอดีใส่อาหารพร้อมนั่นใส่พร้อมเลยอะไรก็ได้เทใส่ตรงนั้น่ะไม่ว่าหวานขา ว, วถ้าเป็นห่อมาก็มาถึงบัดเรก็จะอมกันแยงกันอีกน่นก็นนนได้ผู้ด น, นด่นไหดอกไอยผู้ใดใดหอวหน้าย้นดอะไรใดหัอไนพูดในว่นนนนาใดหัวว่าอยู่นั้นแนหะละเห็นไหมล่ะ มันสู้ทําตามพระพุทธเจ้ า, จาไว้ได้หรอกอะไรก็ตักข้านั่นนั่นแหละวิธีฆ่ากิเลสแต่คนไม่อยากฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้าสอนในะฆ่ากิเลสฆ่าไม่บาปือฆ่ากิเลสนั่นแหะที่ไม่มีปัญหาก็อยู่หยุดนั่นใส่แล้วไม่ต้องมาเข้ามาวัดอีกมีการมีงานก็ไปทําการทํางานเลยน่ะ ถ้ามากวันศีลมันพระอนุญาตพู้เจ้าทรงอนุญาตเราแค่นั่นนะเป็นธรรมดาไม่ให้มายุ่งนั่นไะโดยจเวพาทีป่ปฏิรูประเดสวะโสจประเทศที่ดินทบาทได้นะา <c oughs> จารนั้นเลยเข้าใจจุดนี <c> ้พ <oughs> วกรู้สึกว่าพ่พันสายตาหลวงพ่อกอหลวงพ่อจะอว่าลำได้เราหาเขาข า, ขาวเห็นตาผ่าไ ม, ไม่ผ่าไตเดียวท่น <i> ส่วนผ่าขาวเอาเห็นเป็นผ่าไตเป็นผ่าพวกเป็นผ่าขาวเดี๋ยวคนไหนโทรถามมั้นี่ค่ะคนไหนนั่งยืมคนไหนยืมอืมนี่กูไม่ไดเขาเจ้าก่อนเป็นตับนงเหรอคือมันบริเวณค่ะมันเป็นผ่าขนสัตวหลวงพ่อมันขาวพุ่มผ่าพุมไรคนไหนเนี่ว่ามันเป็นอยางเอาสีขาวมาถวายผ่าคนไหนเนั่ว่าก็มันได้อร่ามัง ลานสัมมาสัมพุทโธภะคะวุังภะคะวันตังอะภวาเทมิสัพพะอะตุภะคะวะตัตถมุนิสสิ เอาออกวาถูกทางเอาออกเ่เอาออกมาจะดุน้นบาดให้ออกไปแล้วคิปบินบาทเอาออกไป